ที่การปฏิบัติของโยมเนี่ยตอนนี้โยมก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูใจรักใหม่นะคะหลวงตาย้อนกลับไปพิจารณากายใหม่ย้อนกลับไปพิจารณากายจนจนมันรู้อยู่เฉยๆกับกายได้สภาวะที่รู้อยู่เฉยๆเกิดขึ้นกับกายได้แล้วก็ย้อนไปพิจารณาดูจิตใหม่ดูใจรักของจิตใหม่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อย จนเห็นว่าทั้งรูปมาทำนานมธรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นของเราที่จะที่จะมีตัวตนของเราหรือจะเป็นตัวตนของใครทั้งหมดจงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะที่รู้อยู่เฉยๆกับจิตได้ไ ม, มันไม่ใช่อัน น, อนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ใชฮะอย่าไปทำอย่างนั้นต้องปล่อยวางอย่างเดียวอย่าไปทํารู้เฉยๆกับจิตปล่อยวางหมด เห็นจิตไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงอย่าไปทำรู้ที่เฉยให้ปล่อยวางอย่างเดียวเลยเห็ saber, น <Our S 1> ไ, <ป>ไม่ไม่เห็ต้อปล่อยวางตัวเราผู้รู้ด้วยตัวเราผู้ไปรู้ที่เฉยเนี่ยตัวเราผู้ไปรู้จิตเฉยให้ปล่อยวางตัวเราผู้ไปรู้จิตที่เฉยอย่าปล่อยวางอย่าไปทําอาการที่เฉยกับจิตเข้าใจั้มเนี่ยยมเข้าใจมณฑิมที่ยมยมพูดพูดแบบไม่ไม่ตรงกับความคิดที่ที่ตัวเองคิดหางตรงต่คือคือแบบว่าจะหมดยังไง คือสภาวะอันนี้มันเป็นสภาวะที่ดูดูจนจนอ่าผู้รู้ที่รู้เฉยๆมันเกิดขึ้นเองอะค่ะคือ ส, สภาพรู้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบรู้เฉยๆต่อสภาวะจิตที่มันเป็นอะไรไม่วา่ามันจะดีจะจะไม่ดีอะไรก็ตามวางวางต่อไปอีกปล่อยวางปล่อยวางผู้รู้เฉยๆเนะี่ยปล่อยวางปล่อยวางผู้รู้เฉยๆไม่ใช่ปะ ไปรู้อาการของจิตเฉยๆนะปล่อยวางผู้ดีรู้อาการของจิตเฉยๆไนดะ้ไงที่ผููที่รู้เฉยๆนะปล่อยวางผู้รู้เฉยๆด้วยเพราะว่า ผ, ผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณผู้รู้<ม>ผู้รู้เป็นวิญญาณขันเป็นจิตวิญญาณขันม<อ>ันจะต้องบน่นไอ้มันเห็นมันบ่นในใจแล้วแม้แต่ว่ามันเป็นรู้ที่เป็นธรรมาธาตุแล้วเนี่ยรู้ที่เป็นธรรมาธาตุที่ว่างเปล่าหมดแล้วยังต้องปล่อยวางเลยยึดถือไม่ได้นะ ยึดถือธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่ได้ถ้าถ้าไปยึดถือความว่างหล้มหมดเลยออืแม้แต่ใจที่บริสกยุดแล้วก็ต้องปล่อยวางใจที่บริกยุดอีกคือปล่อยวางความหลงหยึดถือใจที่บริกยุดม่นจะไป็รู้อาการมันเฉยเฉยนะปล่อยวางผู้ที่รู้เฉยเย คือมันไม่มีอะไรที่จะยึดได้เลยผู้รู้ก็ยึดไม่ได้จิตสภาวะจิตที่มันเปลี่ยนแปลงแตกไดเก็รับได้ถูกต้องถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่านิพานมันคือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งและธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือความว่างไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ้นความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นนิพานถ้าไปยึดความว่างหรือยึดให้รู้เฉยเฉยเนี่ยหลงเลยเออกลายเป็นหลกเออ ปล่อยวางไวอีกปล่อยวางให้หมดไม่มีไม่มีเอาอะไรไว้เลยยังจะไปเอาอะไเนี่ยเนี่ยยังหลวงจะไปเอาผู้รู้เฉยๆมันจะคล้ายๆโยมนี่ยมันจะนั่งคล้ายๆกันดูดูสังเกตอเดี๋ยวจะเอานูาน่นเอานี่ต้องปล่อยวางไม่เอาอะไรเลยไม่ไม่เอาอะไรเลยคล้ายๆกันกับโยมข้างหลังเนี่ยต้องคล้ายๆกันเนี่ยต้องวางอีกนะไม่ไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยสภาวะใดก็ไม่เอาปล่อยวางหมด ปวางความหลงยึดถือไม่ได้ว่าไปไปไล่ปล่อยวางอาการหรือไปไล่ปล่อยวางความว่างหรือไปไหวปล่อยไปไล่ปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ให้ปล่อยวางความหลงยึดถือปล่อยวางความหลงยึดถือปล่อยวางความหลงความหลงไม่ใช่ว่าไปไล่ปล่อยสิ่งที่ถูกรู้ไล่ปล่อยใจที่เฉยเฉยไล่ปล่อยใจที่ว่างวางสิ้นหลงยึดถือปล่อยวางความหลงยึดถือไม่ถืออะไรเลยมันมีอะไรอยู่ก็รู้อยู่ตามความเป็นจริงของมัน ไม่มีตัวเราเข้าไปเสวยไม่มีตัวเราก็ไปยึดถือไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยปล่อยป่อยวางตัวเราอีกทีหนึ่งปล่อยวางอีกมันจะมีนี่เหมือนกับเป็นภูเขาพระนิพพานอย่างเงี้ยมันจะมีตัวเราเนี่ยมันเป็นเป็นผู้เดินทางเป็นผู้จะเอาอะไรมันมันตกไปอยู่ที่ใต้ภูเขาเราจะเอาสภาวะอะไรหรือว่าจะไปเอาสภาวะความพ้นทุกข์พอมีตัวเราจะไปเอาแค่นั้นเนี่ยมันตกตกแล้มาอยู่ใต้ภูเขาเลย ต้องเห็นไอ้อตัวเราที่จะไปเอาอะไรเนี่ยมันเป็นสังขารเพราะว่าตัวที่จะไปเอาอะไรได้มันต้องเป็นตัวสังขารปุงแต่งมันเป็นสังขารพุงแต่งแม้แต่มันจะมีความรู้สึกว่าจะไปเอาอะไรจะไปหลงเชื่อว่าไปหลงเชื่อว่ามันเป็นตัวเราจริงๆให้เห็นว่ามันเป็นสังขารปุงแต่งเพราะว่ามัไอ้สังขารพรุงแต่มันรึกปุงแต่งได้ว่ามีตัวเราจะไปเอาอะไรแล้วไม่มีสิ่งอะไรที่จะไปเอาได้หรือไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะไปเอาได้แล้วก็ไม่มีตัวเราที่จะไปเอา เพราะถามีสิ่งไรยึดหมาย Nh ไว้ว่าจะไปเอาอันนั้นเน่ะกิเลสหมดเลยแล้วถ้ามีตัวเราเนี่ยจะไปเอาอะไรเป็นอวิชชาหมดเป็นเอาวิชชาหมดเห็นอยู่เนี่ยรู้อยู่ว่ามีตัวเราตัวเราแต่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสังขารพวงแตงถ้าไปยึดมันจริงๆย่งจังว่าเป็นตัวเราจริงเจยเป็นอวิชชาทันทีเลยแล้วถ้าหมายว่าจะมีตัวเราไปเอาอะไรเน่ยเป็นกิเลสทันทีนะต้องถอนตั ว, ต, ว, ต, วตนของเราซะ ถอนตัวเราผู้จะไปเอาอะไรถอนความเป็นตัวตนของเราถอนทิ้งซะอย่ามีตัวเราไปเอาอะไรเหลือแต่สภาวะที่มันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นตามความเป็นจริงมีแต่สภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบันไม่มีตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรยมก็ฝึกดูไปเรื่อยฝึกดูฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกไปเรื่อยโดยการใช้บางทีถ้าหากว่าเราไม่มี ไม่มีแบบว่าไม่มีตัวช่วยเลยอย่างเงี้ยโดยการดูกายดูอริยบทอะไรเงี้ยโยมก็ดูอริยบทย่อยไปแล้วก็แล้วก็เห็นจิตไปด้วยอะไรแบบเนี้ค่ะหลงตาบางครั้งก็ดูลงหายใจก็เห็นจิต ไ, ไ, ไปด้วยอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาไม่งั้นมันก็จะถูกอารมณ์ลากไปลากผู้รู้ไปเสร็จ แ, แล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งโยไปเยี่ยมปม้อมมาหาที่บ้านหลานหลานสาวอะประมาณตีสองเนี่ยค่ะ ้วหลานเขาก็ยังกําลังอัดเฟซบุ๊กอะไรกันอยู่โยมก็นอนนอนหลับไปแล้วโยมตื่นมาประมาณตีสองโยมตื่นมาโยมก็มาเข้าห้องน้ําข้างล่างที่บ้านหลานคนะ่ะเสร็จแล้วก็ได้ได้คุยกันอะไรนะสักพักหนึ่งโยมกลับไปนอนพอขึ้นไปขึ้นข้างบนปั๊บเนี่ยโยมก็กําลังจะห่มผ้านะคุณตาพอห่มผ้าปั๊บมันก็เกิดอาการแบบตัวเนี่ยซาซาขึ้นมาอย่างแรงเลยซาขึ้นมาอย่างแรงเลยแล้วทีนี้ โยมสะดุ้งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็จะมีแบบว่ามีมีดวงจันทร์นะคะมีเหมือนดวงจันทร์ะทับที่ทับที่ท้องโยมอะโยมไม่เห็นข้างตัวโยลําตัวโยมเลยเห็นแต่แสงสว่างที่เป็นดวงจันทร์วงกลมใหญ่วงกลมใหญ่มากจนโยมก็ให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเรายังไม่ได้นอนเลยเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วสักพักหนึ่งดวงจันทร์นี่ยังไม่หายไปดียังยังอยู่ก็กลายเป็นความสุข ที่เกิดขึ้นทุกอนุของขุมคนในทฮะไม่ใช่แล้วหลงหลงลงลงเดี๋ยวเดีเดีเดีไม่เห็นในตัวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มันมีตัวพูดอยู่เนี่ยไอตัวเนี้ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นในตัวเนี้ยแล้วปล่อยวางไอตัวเนี้ยไอตัวที่บอกว่าอมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนี่เราเป็นอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้นอนเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราทํำไมเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยมันต้องปล่อยวางไอตัวที่พูดที่บนที่พูดที่บนเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่เห็นตัวนี้ยแล้วเราก็ไปเสพ สภาพสภาวะที่มีดวงจันทร์เข้ามาสวมแล้วก็อิ่มซานไปเป็นสุขอันนี้หลงนะหลงหลห ล, ลงนิมิตแหละอันตรายอันเนี้ยเข้าหาผู้รู้ตลอดเลยไม่ว่ารู้อะไรก็าหาผู้รู้ไปวางผู้รู้ที่มันพูดได้ต้องเข้าหาผู้รู้พอมันมีสภาวะทําอะไรเกิดขึ้นมนนีนิมิตอะไรเกิดขึ้นอย่าหลงตามนิมิตให้เข้าหาผู้รู้นิมิตก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้นิมิตแล้วมันพูดว่าอะไรบนว่าอะไรละ่ะ ให้มันรู้ตรงตัวเราเนี่ยมันพูดบนแล้วก็ปล่อยวางตัวเราเนี่ยปล่อยวางตัวเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ทาไมเอาตัวเราไปไปเสพไปเสวยนิมิตหรือสภาวะธรรมใดนีด่หลงนะแล้วอันตรายอันตรายมากๆทาไมเชื่อไม่ว่ารู้อะไรเนี่ยมีสภาวะธรรมยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยอัศาจรรย์ขนาดไหนอถ้ายึดถือเนี่ยเป็นบ้าได้หมดต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้รู้อย่างเดียวเลยผู้ที่รู้ว่า แต่เวลาเราเป็นคนรู้ใครเราจะเป็นคนรู้สภาวะ่าต่างๆเนี่ยเข้าหาผู้รู้แล้วผู้รู้เนี่ยมันพูดว่าอะไรบ่นว่าอะไรมันพึมพำพึมพำพึมพำว่าอย่างไงแล้วก็ปล่อยวางตัวเรานี่ยเนี่ยที่เป็นคนบ่นที่เป็นคนพูดเนี่ยปล่อยวางตัวเราตลอดเวลาอย่าอย่าไปหลงกับสภาวะธรรมหรือหลงนิมิตเป็นอันขาดเลยอันตรายนะอันตรายสุดๆเลยเนี่ยมีเป็นบ้ากันมาเยอะมากแล้วถ้าหลงนิมิตหลงสภาวะธรรมแล้วไปเสพสภาวะธรรมแบบเนี้เวลามีสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทุกขนาปัจจุบันเนี่ย ต้องเข้าหาผู้รู้ต้องเข้าหาผู้รู้อย่าไปหลงกับอาการที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้หรือสภาวะธรรมที่ถูกรู้เข้าหาผู้รู้เสมอว่าไอตัวเราผู้รู้เนี่ยมันพูดว่าอะไรบ่นว่าอะไรพึมพำพึมพำพึมพำว่ายังไงเข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้รู้เข้าใจคําว่าผู้รู้ไหมเข้าใจคำว่าหาผู้รู้ไหมเข้าหาผู้รู้ก็คือว่าให้รู้สภาวะต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยรู้อยู่เฉยๆปิดปีด ไปรู้สภาวะอะไรรู้เฉยเฉยนี่ยไม่ใช่ เ, เ, ชเขาหาผู้รู้เนี่ยอันนี้ผิดนะ <พ viu S 1> <ม>คือรู้อะไรแล้วเนี่ยให้สังเกตว่าตัวเราเนี่ยต้องพูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเลยไม่พูดไม่พูดไม่พึม พ, ม, พมพำในใจเนี่ยไม่มีถ้าไม่เห็นตัวเราพูดพึมพำในใจเนี่ยเนี่ยหลงอย่าไปรู้สภาวะที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้เฉยเฉยอย่าไปรู้เฉยเฉยอันนี้อันนี้ผิดอย่าเข้าใจผิดกัดเคลื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยตามองเห็นลงตาเนี่ย ปู่ก็ดียินเสียงลุงตาเนี่ยข้างในมันต้องพูดมันต้องพูดว่ายังไงในใจเราเนี่ยให้สังเกตเนี่ยแล้วก็อย่ามาเพ่งอย่ามามองแต่ลุงตาอย่าอย่ามาตั้งใจฟังแต่เสียงลุงตาให้สังเกตว่าเนี่ยณขณะปัจจุบันนี้แท้แเลยเนี่ยมันก็ยังพูดซ้อนอยู่เนี่ยยังปุมบัมปุ่มปัซ้อนในใจตลอดเวลาแล้วก็ปล่อยวางอ่ะตัวเราที่พูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยปล่อยวางไปให้หมดปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางตัวเราที่พูดอยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยๆแม้แต่ไปรู้ภาวรธรรมที่นิ่งสงบสว่างหรือว่ารู้เฉย ไอ้เฉยเฉยยไม่เฉยหรอกไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้เฉยเฉยมันพูดว่าไงอ่ะมันพึมงพาไม่ยังไงให้รู้ตัวเราที่ไปรู้ไออารมณ์เฉยเฉยมันพูดว่าไงอันเนี้มันจะไม่อันตรายรู้ตัวเราที่พูดได้อยู่ตลอดเวลาเลยเขาเ ข, ข้าใจฮะหลวงตาเข้าใจคือว่าโยมยังพูดคือไอ้สภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโยมคิดว่าเอ๊ะมันเป็นปิติเอ๊ะเราทํำวิปัสสนาเกิดปิติได้ยังไง Um นี่นี่นีนนนี่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้อ่ที่บอกว่าเอมันเกิดปิติแล้วเอเราทําวิปัสนามันเกิดปิติได้ยังไงไม่ต้องการที่ให้ไปสนใจปิติที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดปิติขึ้นไม่ต้องไปสนใจหาความเข้าใจปิตินั้นแต่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดมาว่าเอมันเกิดปิติได้ยังไงเราเราทำวิปัสนาอยู่ทำไมไม่เกิดปิติเห็นไหมว่าเรากําลังพูดเนี่ยแต่ไม่เห็นนะเนี่ยแต่ไป สนใจแต่ว่าโอเราทํำวิปัสสนามันเกิดปิติยังไง <_ c oughs> นี่มันหลงอารมณ์เขาเรียกหลงอารมณ์แต่เมื่อกี้ก็พูดอยู่นี่ว่าเอ๊ะ <_ |notimestamps|> เราทํำวิปัสสนาอยู่ cosine? ทําไมมันเกิดปิติได้ไงเนี่ยต้องการให้เห็นตัวเนี้ยเห็นที่รู้อะไรแล้วตัวเรามันพูดพูดอยู่คนเดียวพูดกับตัวเราเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางตัวเราอย่างเงี้ยตลอดเวลาถึงจะพ้นทุกข์มันต้องเห็นตัวเราเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดรู้อะไรแลก็ต้องพูดอีกรู้อะไรก็ต้องพูดอีกรู้อะไรก็ต้องพูดอีกรู้อะไรก็ต้องพูดอีกซ แม้แต่รู้ว่าในใจเราพูดอะไรมันก็พูดอีกรู้ว่าในใจเราพูดอะไรมันก็พูดซ้ําอีกอยู่อย่างเงี้ยสอนซอนซ้อ น, อ น, อนไม่มีที่จบสิ้นจนกว่าจะตายอย่าไปรู้นิ่งว่างเฉยนะอันนี้อันตรายมาก เ, เพราะเดี๋ยวจะมีนิมิตอื่นมาเข้าแทรกแล้วก็หลงไปใหญ่อ่ะหลงสภาวะธรรมไปใหญ่เลยแยกไม่ออกอะแยกไม่ออกระหว่างอารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตจิตผู้รู้อารมณ์แยกไม่ออกระหว่างอารมณ์กับจิต แยกไม่ออกระว่างอารมณ์กับจิตผู้รู้เราเนี่ยจะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยจิตผู้รู้อารมณ์เนี่ยเราเราจะเป็นรู้สึกกับตัวเราเป็นคนรู้เราไปรู้อะไรเนี่ยจิตผู้รู้อารมณ์จะพากจะพูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดหรอกจนกว่าเราจะตายอย่าไปนสนใจสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้สิ่งทุกอย่างเรียกว่าอารมณ์หมดรูปเรียกว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัส <บ>า <PTSD> อาการทั้งหมดที่ปรากฏในใจเฉพาะว่าทำ ท, ทั้งหมดที่ปรากฏในใจเรียกว่าอารมณ์หมดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอย่าสนใจสิ่งที่ถูกรู้รารู้อะไรให้เข้าหาผู้รู้คือตัวเรานี่เนี่ยผู้ไปรู้แล้วมันมันบ่นได้พูดได้บุมพมบุมพอบุมพอมอยู่ในใจพูดกับตัวเองในใจว่ายังไงให้สนใจแต่ตัวเราเนี่ยผู้รู้เปลี่ยนสมองใหม่เลยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เลยเปลี่ยนทั้งระบบใหม่ว่าผู้รู้ไอ้จิตผู้รู้นี่คือตัวเรานี่เนี่ยที่ไปรู้อะไร ส่วนอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที네่ตัวเราไปรู้อันนี้เนี่ยอย่าให้สนใจอารมณ์ที่ถูกรู้รู้อะไรให้รู้แต่ตัวเราเนี่ยพูดไปรู้พูดอะไรคนเดียวมันพูดอยู่ในใจคนเดียวไม่มีใครไม่พูดเราเนี่ยเนี่ยตามองเห็นลงตาตอนเนี้ยอูก็ดีนเนี่ยมันต้องพูดซ้อนอยู่ไม่ใช่ว่มามันรู้ลงตาเฉยเฉยรู้เฉยเฉยไม่ใช่เนี่ยอันนี้ผิดผิดผิดิดให้ถามดูที่ถามใจตัวเองใช่ปะอาการเฉยเนี่ยอาการนิ่งเนี่ยมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ ใครเป็นคนรู้ว่าตัวเรานิ่งใครเป็นคนรู้ว่าตัวเราเฉยใครเป็นคนรู้คนอื่นไม่รู้หรอกถามใครว่าใครเป็คนรู้อ nice> ืมพตัวเราอะก็ไม่รู้ก็เนี่ยก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เอะไรอย่าไปดูตรงอาการนิ่งกับการเฉยเนี่ยก็ตัวเราเนี่ยไปดูแต่อาการนิ่งกับการเฉยแล้วไอ้ตัวเราก็้ไปรู้อาการนิ่งกับการเฉยเนี่ยปล่อยวางตัวเราผู้รู้เนี่ยปล่อยวางตัวเราที่ว่าไปรู้ว่ามันนิ่งมันเฉยมันจะแบบไปไปรู้เฉย ไปวางตัวเราที่ไปรู้ <mm <separ atie> อาการเฉยเออมันมันปล่อยวาแต่ไอ้ตัวบนไอ้ตัวเราที่บนไอ้ตัวเราคีบพูดคีบบ่นคีบพูดคีบบนเนี่ยเราต้องตั้งสมมติฐานไว้เลยไม่ s <S <t id> มีหรอกไอ้ตัวเราเนี่ยมันต้องคีบพูดคีบบนตลอดเวลาเราไม่เราไม่ยอมดูมันเองไม่ยอมเห็นมันเองอะเราหนีมันหนีความจริงไม่มีหรอกเราไม่พูดเราไม่พูดออกปากก็ต้องพูดในใจมันมีอยู่สองอย่างอคนเราจะอยู่ทั้งวัดไม่พูดได้ยังไง มันไม่พูดออกปากก็ต้องพูดในใจไอ้ที่มันพูดอยู่ในใจเนี่ยเขาเรียกมันมันเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยพูดในใจไม่พูดออกปากคนเราก็ต้องพูดในใจนี่เป็นธรรมชาติพูดอยู่ในใจมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เลยขนาดจะนอนเนี่ยมันยังมันยังพูดไม่หยุดอะนอนไม่เคยหลับเลยมันนอนไมพูดไม่หยุดมันก็พูดอยู่กคนเดียวนอนพูดอยู่คนเดียวนิจใจนี่แหละเมื่อไปเห็นมันแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ได้นอนเลยเพราะอะไร ก็มันพูดไม่หยุดมันตัวเรานั้นพูดไม่หยุดแล้วมันจะหลับยังไงว่าตัวเราไปพูดไม่หยุดจะเข้าห้องน้าห้องท้วมน้่งส้วมอยู่มันพูดไม่หยุดจะแปลงฟันอะไรก็พูดไม่หยุดไอ้นี่มันมันเป็นธรรมชาติอะไม่มีเราที่มันจะหยุดะมันเป็นธรรมชาติต้องรอตายซะก่อนมันถึงจะหยุดวิไปเห็นนิ่งเห็นเฉยมันหลบมันหลบความจริงหนีไปอยู่ความไม่จริงนิ่งเฉยว่างเบาสบายความจริง ไม่มีหรอกถ้าไม่พูดในไม่พูดออกปากปฏิญานไปเลยมันต้องพูดตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นขนันหน้ามันเป็นชีวิตไม่พูดไม่ได้ไม่พูดจะไม่พูดออกปากก็ต้องพูดในใจมันพูดอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเห็นตัวเนี้ยแล้วก็ปล่อยวางซะปล่อยวางคือว่ามันจะไปผักใสไปจับบัญญัติคืออย่าเข้าไปยึดถือมันว่ามันเป็นเร า, เ, ราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันเป็นสังขารเป็นขนันหน้าเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องตายแตกดับไปพร้อมกับสิ้นลมหายใจไปนั่นแหละอย่าไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา หรือมีตัวเราตัวตนของเราเนี่ยในขันห้านี้ปล่อยวางมันไปซะเห็นมันแต่ไม่ยึดถือมันแค่นั้นเองแน